ปีที่ผ่านมาหลายสิ่งหลายอย่างมันก็ถดถอยผันผวนแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องสิ่งนั้นคือเทคโนโลยีเรื่อ ม, มาปิทแรามก็มีเทคโนโลยีตัวใหม่ตัวหนึ่งซึ่งได้รับความสนใจหรือสร้างความมือฮาให้กับคนมากทีเดียว น, นั่นคือโปรแกรมแชท GPT แชทนี่ก็แปลว่าพูดสนทนาโปรแกรมนี้เนี่ยมันก็สามารถที่จสนทนาโต้อตอบกับมนุษย์ได้จริงๆโปรแกรมแชทนี่มันก็มีเยอะนะก่อนหน้านี้ก็มีเช่น Siri Alexa อะไรเนี่ยแต่ว่าที่แตกต่างกันก็คือไอ้ตัวแชตตัวใหม่เนี่ยมันมันสนทนามันโต้อตอบเนี่ยใกล้เคียงมนุษย์มากขึ้น แล้วก็เข้าถึงง่ายนะไม่เหมือนพวกสีรีหรืออเล็กซานี่มันก็มันติดอยู่กับโทรศัพท์เจนไอโฟนหรือไม่ก็เครื่องมือที่ราคาแพงแต่โปรแกรมนี้เนี่ยเราสามารถจะเข้าถึงได้นะจากคอมพิวเตอร์แล้วก็จะร่มกับโทรศัพท์มือถือด้วยคือฟรีนะตอนนี้อยู่ในช่วงทดลอง แล้มันไม่ใช่เป็นโปรแกรมที่สนทนาโต้อตอบกับมนุษย์ธรรมดาธรรมดานะมันใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วมันก็รู้ภาษามนุษย์เนี่ยมากมายเหลือเกินคุยกับโปรแกรมนี้โดยภาษาไทยนะเขาก็รู้เรื่องนะแล้วก็ตอบมาเป็นภาษาคนที่เข้าใจได้ง่าย แลมนุษย์เรานี่จะตต้อตอบหรือว่าสนทนาเขาอย่างไงนี่เขาก็มาได้ทุกรูปแบบนะจะคุยเล่นหยอกล้อ ก, ก็ได้หรือว่าจะพูดจาหยาบคายกับเขาก็ได้แต่เขาก็จำนะจำแล้วก็บางทีก็ ไม่ตอบโต้หรือว่าไม่ไม่คุยกับเราถ้าเกิดว่าเราพูดอยากมากเกินไปและที่สำคัญคือว่ามันไม่ใช่แค่สนทนากับมนุษย์อย่างเดียวนะสามารถจะให้ข้อมูลสารพัดเลยนอกจากรู้ภาษาหลายสิบภาษาหรือเป็นร้อยภาษาแล้วก็ยังรู้รอบนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์ บรัณกรรมศิลปะวิทยาศาสตร์เรียกว่าถามอะไรก็ตอบได้หมดแล้วก็ตอบได้ไปเรื่องเป็นลาวแล้วไม่ใช่แค่ให้ข้อมูลตอบคำถามอย่างเดียวนะเราสั่งให้เขาทำอะไรนี่เขาก็ทำได้หลายอย่างเนะช่นให้เขียนอ e ีเมลแทนเราซึ่งอันนี้ง่ายมากหรือว่า เขียนบทละครเขียนเพลงให้เราเอยากจะจีบสาวก็ถามเขาว่าควรจะเขียนยังไงนี่ยสังให้เขาแต่งกรอนเอาไว้จีบสาวจีบหนุ่มนี่เขาก็ทําได้ให้แต่งเพลงแล랩เพลงลูกทุ่งก็ก็น่าจะได้นะเพลงแรปนี่ได้แต่เพลงลูกทุ่งเนี่ยยังไม่มีใครทําหรืออาจจะทําแล้วแต่ไม่รู้ก็คงจะทําได้ มีคนหนึ่งก็ขอให้โปรแกรมเนี่ยเขียนบทเพื่อใช้ในการทำคลิปรีวิวโทรศัพท์มือถือยี่ห้อหนึ่งคลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอนะปรกว่าโปรแกรมนีก้ก็ทำงานแทนเลยนะ บอกโครงเรื่องเลยนะว่าคลิปนี้เนี่ยควรจะเริ่มต้นเรื่องอะไรแล้วก็ลำดับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือหรือที่เราฟิวเจอร์ต่างๆเนี่ยก็จะบอกเป็นขั้นเป็นตอนจนทั้งปิดท้ายเลยแล้วคนที่เขาทดลองทำตามคำแนะนำของ โปรแกรมนี้บอกว่าเออมันก็คนก็สนใจทำได้ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะสั่งให้โปรแกรมนี้เขียนโค้ดคอมพิวเตอร์เนี่ยโดยเพราะระดับพื้นฐานเนี่ยเขาก็ทำได้เพราะฉะนั้นก็เรียกว่าทำหน้าที่แทนโปรแกรมเมอร์ได้เลยและนี่ก็แค่เปิดตัวในรุ่นที่ต่ำาๆนะเรียกว่ารุ่น 3.5 ถ้ามันพัฒนาไปถึงรุ่นยี่สบนี่มันจะทำอะไรได้มากขนาดไหนตอนนี้อย่างที่เราทราบนะเดี๋ยวนี้เขาก็ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยวาดรูปได้สารพัดเพราะว่าเราใช้นวัตกรรมที่เรียกว่า AI หรือปัญญาประดิษฐ์ไอโปรแกรมเนี่ยมันอิงกับปัญญาประดิษฐ์นะมันก็ ก็เลยไม่ได้ทำงานแบบทื่อๆมีการพลิกแพลงมีการดัดแปลงมีการเรียนรู้ไปเรื่อยๆจนกนทาทั่งคนนี่ก็เริ่มพูดกันแล้วนะว่าเนี่ยมันจะมาทำหน้าที่แทนอาชีพของมนุษย์นี่มากมายเลยนะอย่างเช่นอาชีพแปลเนี่ยนะหรือล่ามเนี่ยไม่ว่าภาษาอะไรเนี่ยอาจจะตกงานไปเลยก็ได้เพราะว่า ในแชทตัวนี้นี่มารู้ภาษาหลายภาษามากอย่างที่ว่าแล้วก็เข้าใจสำนวนเข้าใจสแสดงนะของภาษาต่างๆแล้วก็สามารถที่จะตอบหรือแปลให้รู้เรื่องให้เข้าใจได้อย่างที่บอกนะเขาก็รู้มากมายหลายอย่างเหลือเกิน วิทยาศาสตรภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์วรรณกรรมอันนี้ก็ลงหนุ่พุทธศาสนาด้วยนะลองถามก็นะว่าความทุกข์ในพุทธศาสนาเนี่ยช่วยอธิบายหน่อยเออเขาก็ตอบได้นะได้ได้ชัดได้ตรงประเด็นเลยนะบอกว่าความทุกข์เนี่ยนะเป็นคําสอนหรือเป็นหลักการสําคัญของพุทธศาสนาเลย แม้จะพูดถึงว่าเนี่ยความทุกข์ยังเป็นธรรมดาของชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นจริงและความทุกข์ยังเกิดขึ้นจากการที่คนเราปรารถนาให้สิ่งต่างๆไม่เป็นอย่างที่เป็นนะปรารถนาสิ่งต่างๆเป็นอย่างที่ไม่ได้เป็นอย่างเช่นปรารถนาให้มันคงที่คงตัวปรารถนาที่จะหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดปรารถนาที่จะหาความสุข แล้วอย่างที่บาว้นีความทุกข์มันเกิดขึ้นจากการที่ไปยึดติดถือมันกับสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งที่มันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงแล้วขยายต่อไปนะว่าความทุกข์เนี่ยมันไม่ได้เหตุแห่งทุกข์มันไม่ได้อยู่ที่นอกนอกตัวไม่ไดที่ปัจจัยภายนอกแต่มันอยู่ที่ใจของเราอยู่ที่การไปยึดติดนะสิ่งต่างๆและปรารถนาจะให้มันเป็นอย่างที่มันไม่ได้เป็น แล้วก็บอกนะว่าในพุทธศาสนาเนี่ยการที่จะพ้นทุกเนี่ยก็คือการที่เราฝนะึกสติแล้วก็เจริญปัญญาจนกระทั่งเข้าใจความจริงของสิ่งต่างๆว่ามันไม่เที่ยงจนละความยึดและความอยากได้ยึดนี่คือยึดติดถือมัน่นแล้วก็ละความอยากคือตัณหาผูนะ้ ภ, ภาษาพระคือตัณหารูปธรมพวกก็ตอบได้ชัดเจนมากนะในใน ในพื้นที่ไม่กี่ไม่กี่ประโยคไม่ได้พูจายินเย้อเวินเวอร์ก็ตรงประเด็นเลยแล้นถามก็ตอบไปนะว่าเนี่ยแล้วการเจริญสตินี่ทําได้อย่างไรเขาก็บอกเนี่ยเจริญสติก็ทําได้โดยการที่เราเอาใจอยู่กับปัจจุบันอยู่กับสิ่งที่กําลังทําอยู่ รวมทั้งรับรู้ความคิดและอารมณ์ความรู้สึกโดยไม่ตัดสินไม่ตัดสินว่าดีหรือเลวผิดหรือถูกคือรับรู้เฉยๆแล้วก็ไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้ก็พูดมาคือรู้เฉยๆรู้ซื่อๆอย่างที่ครูบาอาจารย์สอนแลวอยังแถมด้วยว่าจระเติเนี่ยมันก็วิธีหนึ่งก็คือช่วยให้เรา รู้จักมีเมตตาต่อตัวเองการที่เรามีเมตตาต่อตัวเองก็มีส่วนในการเจริญสติได้แล้วเขาก็ตอบตรงนะแล้วก็สอดคล้องหรือตรงกับที่ครูบาอาจารย์สอนวัทีิจริงมันนี่ก็คือคำสอนของพรกเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปเนี่ยเราอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับพุทธศาสนาเนี่ยก็ถามโปรแกรมนี้ได้เลย แล้วก็ลองนึกดูว่าต่อไปเนี่ยมันจะเมื่อมันมีการพัฒนามากขึ้นเนี่ยมันจะตอบได้รวดเร็วแล้วก็ตอบได้หลากหลายแล้วก็สะดวกสบายมากขึ้นจิจริงก่อนหน้านี้มันก็มีโปรแกรมที่ญี่ปุ่นเขาทำขึ้นนะโปรแกรมที่เขาใส่ไว้ในโทรศัพท์มือถือเนี่ยคล้ายๆเป็นการสนทนาโต้อตอบกับพระพุทธเจ้า อยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับคำสอนพรเจ้าก็ถามหรือถามว่าเนี่ยพระเจ้าจะแนะนำอย่างไรถ้าเกิดเรามีความทุกข์เรามีความเครียดหรือว่าเราอกหักไอโปรแกรมนี้ก็จะตอบได้แต่นี่เขาทำเฉพาะในญี่ปุ่นแล้วก็ก็คงพูดแต่เฉพาะภาษาญี่ปุ่นแล้วก็รับคำสั่งหรือคำถามเฉพาะภาษาญี่ปุ่นแต่นี่ ในโปรแกรมนี้เนี่ยภาษาอะไรก็ไดนะ้เราถามไทยก็ตอบไทยได้เหมือนกันนะแต่ว่าตอบช้าถ้าก็ตอบภาษาอังกฤษจะตอบได้เร็วมากแล้วก็ไม่ได้รู้เฉพาะพุทธศ า, าสนารู้สารพัดเลยแต่ว่าก็ยังมีจุดอ่อนนะถามเพื่อว่าความรู้สึกตัวคืออะไรอธิบายหน่อย เขาไม่รู้จักนะรู้จักแต่ความรู้สึกนะหรือ feeling เขาไม่รู้จักควาว่ารู้สึกตัวที่เป็นภาษาไทยนะแต่ถ้าถามว่าเป็นภาษาอังกฤษ self awareness เนี่ยเาตอบได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้เหมือนกับความรู้สึกตัวอย่างที่เราพูดคุยกันหรืออย่างที่เรานำมาปฏิบัติ อันนี้ก็น่าทำให้น่าคิดนะว่าต่อไปถ้าโปรแกรมนี้พัฒนามากขึ้นแล้วก็มันสามารถอยู่กับโทรศัพท์มือถือหรืออยู่กับนาฬิกาของเราเนี่ยโอ้ในเรื่องในแง่ของการศึกษาพุทธศาสนานี่มันจะสะดวกมากขึ้นเลยแล้วก็จะมีคำถามขึ้นมาว่าเนี่ยยังที่คูบาจาเนี่ยยังจำเป็นไหม ไม่ใช่าะคูบาจารย์ด้านพุทธศาสนานะครูบาอาจารย์ด้านอื่นด้วยวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ประวัติศาสตร์วรรณกรรมภาษาอันนี้มันก็ทําให้คนผูก้กระวานเนี่ยต่อไปครูก็ตกงานนะนอกเหนือจากอาชีพอื่นอาชีพล่ามอาชีพโปรแกรมเมอร์ขั้นพื้นฐานหรือว่าอาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูล ก่อนวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยยังต้องไปหาข้อมูลมาแต่โปรแกรมเนี่ยมันหาด้วยตัวมันเองแล้วมันก็วิเคราะห์เองเสร็จเลยในเวลาไม่ถึง5นาทีหรือไม่ถึง 2- อสนาทีจากการจากคนที่ต้องไปหาข้อมูลกว่าจะหามาได้นี่ก็เป็นชั่วโมงแล้วต้องมาวิเคราะห์อีกอาจจะหลายชั่วโมงเนี่ยโปรแกรมนี่มันวิเคราะห์ในเวลาไม่กี่นาทีก็คงจะมีสิทธิ์ตกงาน แต่ถ้าถามในแง่พุทธศาสนาเนี่ยน ะ, ะครูบาอาจารย์ก็คงยัยงสาคัญอยู่นะเพราะว่าความสำคัญครูบาอาจารย์นี่ไม่ใช่แค่มีความรู้มีข้อมูลแต่ว่ายังมีอย่างอื่นด้วยเช่นมีความรักมีความเมตตามีความเข้าอกเข้าใจรวมทั้งรู้จักรูปสิทธิลูกหา สามารถที่จะพูดสามารถที่จะแนะนำหรือว่าพูดทักให้สะดุดโดยที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับโดยที่ไม่ได้เป็นมาตรฐานลองนึกภาพนะอย่างเช่นเรื่องราวของมานพสามสิบคนพัทวัคคีเนี่ยซึ่งพาผู้หญิงเนี่ยหรือพาคู่ครองเนี่ยไปเที่ยวไปสนุกสนาน ทุกคนก็มีคู่หมดยกเว้นคนเดียวก็ไปจ้างนางคณิกามาร่วมงานร่วมความสุขสนานแต่ขณะที่กำลังเผลอกำลังอาบน้ำเพลินนางคณิกานี่ก็แอบลักขโมยเครื่องประดับของมานพทั้งสามสิบแล้วก็หนีไปมาน์ทั้งสามสินี้ก็ตามเลยนะตามหา เมื่อรู้ว่านางคณิกานี่หายไปแล้วก็เอาทรัพย์สมบาตของตัวเองไปหล่างที่หายอยู่ก็ไปเจอพระเจ้าพระเจ้าเนี่ยเพิ่งตัดสรุปใหม่ๆแล้วกาลังจะชดเสด็จไปกรุงราชคือเ๋ยวพรเจ้าก็เลยถามว่าเนี่ยเห็นท่านเห็นผู้หญิงคนหนึ่งผ่านมาแถวนี้ไหมพระเจ้าก็เลยรู้เลยนะว่าเนี่ยเขากาลังตามหาผู้หญิงคนนี้ ผู้าก็เลยถามว่าเนี่ยระหว่างการหาผู้หญิงกับการแสวงหาตัวเองเนี่ยอะไรจะดีกว่ากันคำถามแบบนี้เนี่ยมันก็มีแต่ครูบาอาจารย์ที่มีปัญญาถึงเนี่ยถามได้ถ้าให้เครื่องจะปลนโปรแกรมหรือเป็นปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันคงจะไม่ถามอย่างนี้อาจจะถามซื่อๆอาจจะถามตรงไปตรงอาจจะตอบตรงไปตรงมาว่า ไม่เห็นหรือว่าเห็นเท่านั้นแหละก็มีแต่ครูบาอาจารย์ที่มีปัญญาอย่างพระสุจา้านทรที่จะตอบว่าเนี่ยระหว่างการหาผู้หญิงกับการหาตัวเองอะไรที่ดีกว่ากันไม่ใช่พระพระสุจรินทร์ครูบาอาจารย์ที่เป็นที่ไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็สามารถที่จะ ทำหน้าที่ของครูบาอาจารย์อย่างที่โปรแก ร, รมหรือปัญญาประดิษฐ์ทำได้ยากหรือทำไม่ได้เลย อ, อย่างเช่นที่เคยมีลูกศิษย์ถามหลวงพ่อชาว่าเนี่ยเวลาผมนั่งสมาธิแล้วใจมันตะเหลิดภาวนาอย่างไงจิตมันจึงจะสงบหลวงพราชาตตอบว่าไงตอบว่า มันต่เลยก็ช่างมันก็ปล่อยมันไปนะเดี๋ยวมันเบื่อมันเหนื่อยก็กลับไปเองถ้าถามเครื่องหรือถามปัญญาประดิษฐ์มังกรยาตอบแบบตามหลักวิชานะพอจิตมาอยู่ที่ลมหายใจนะหรือว่ามากาหนดรู้ความคิดที่เกิดขึ้นนะบังคับจิตให้แน่แน่มีคำบริกรร ม, มก็ว่าไปแต่หวง่าชาท่านบอกนะ แต่เลยก็ช่างมันเพราะท่านรู้ว่าสำหรับลูกศิษย์คนนี้คำตอบแบบนี้พึงจึงจะจึงจะเหมาะที่สุดถ้าลูกศิษย์คนอื่นถามประโยคเดียวกันถ้าจะตอบคนละแบบก็ได้แต่ว่าปัญญาประดิษฐ์เนี่ยแม้มันจะพัฒนามามากก็คงจะตอบคำถามแบบตามมาตรฐานนะ หรือตอแบบซื่อๆตรงๆซึ่งก็ถูกหลักวิชานะแต่ว่าอาจจะไม่ถูกกับอินซรีย์หรือความสึกนึกคิดหรือภูมิหลังของผู้ถามซึ่งแตกต่างกันไปแต่ละคนใจที่สำคัญคือว่าสาหรับคนเราเนี่ยในการที่เราจะคลองตัวให้เป็นสุขแล้วก็ สามารถที่จะแก้ปัญหาชีวิตของตัวเองได้เนี่ยไอ้ความรู้อย่างเดียวคงจะไม่พอแม้จะเป็นความรู้ทางด้านพุทธศาสนาแล้คนที่รู้พุทธศาสนาระดับไม่ใช่แค่นักธรรมเอกนะแต่ประโยคก้าหรือจบด็อกเตอร์มาเนี่ยเมื่อเราเกิดปัญหาชีวิต บางทีคิดไม่ออกเลยนะว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรจงังที่รู้มาเยอะแต่ตอนที่เกิดปัญหานี่อารมณ์มันท่วมทับเนะความตกใจความโศกความเศร้าความคับแค้นความโอดหูจึงตอนนั้นเนี่ยมันนึกอะไรไม่ออกนะบางทีก็ลืมตัวไปเลยอันนี้พอตกอยู่ แนะนำความหลงหรือว่าแต่ความรู้ที่ลึกซึ้งเลยนะเอาความรู้พื้นๆที่ครูบาอาจารย์แนะนำเนะีนะ่ยเช่นเวลาเจออะไรมากระทบเนะี่ให้รู้จักตั้งสติหรือว่าเวลากโกรธนะให้รู้จักกลับมาลมหายใจคำแนะนำไม่ได้ยากอะไรเลย แต่พอเวลาโกรธจริงๆลืมไปเลยนะลืมไปเลยนะว่าครูบาอาจารย์แนะนำอย่างไรหรือลืมไปแล้วว่าตัวเองเนี่ยควรจะทำยังไงนะกับอารมณ์ของตัวเพราะตอนนั้นเนี่ยมันมีแต่จะคิดตอบโต้สิ่งที่มากระทบหรือไม่ก็พัดหลงเข้าไปในอารมณ์ไม่ใช่ไม่มีความรู้ไม่ใช่ว่าจดจําคำแนะนำไม่ได้ แต่ตอนนั้นมันนึกไม่ออกไอ้ความรู้ที่มีไม่เกิดประโยชน์เลยเพราะว่าขาดสตินะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่คนเราเนี่ยจะมีความรู้อย่างเดียวโดยเพราะความรู้ที่ได้มาจากการอ่านการฟัง มันไม่พอหรือแม้แต่ความรู้ที่ได้มาจากการสอบถามมันไม่พอเพราะมันจะเป็นความรู้ชั้นสองนะมันเป็นความรู้ที่ลืมได้มันเป็นความรู้ที่เลือนได้มันต้องเป็นความรู้ชั้นหนึ่งนะคือความรู้ที่เกิดจากการประจักษ์ด้วยตัวเองอย่างเช่นนะ เวลาเราจเจริญสติจนกระทั่งสติแก่กล้าเนี่ยถึงเวลามีอารมณ์ถึงเวลาเกิดอารมณ์เพราะถูกกระทบเนี่ยถ้าเรามีประสบการณ์จากการปฏิบัติตนเห็นนะว่าอารมณ์ไม่ใช่เราอารมณ์มันไม่เที่ยงในความรู้แบบนี้เนี่ยถึงเวลาเกิดอารมณ์มากระทบหรือว่า อารมณ์เกิดขึ้นจากการถูกกระทบนี่นะให้ความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติเนี่ยมันจะช่วยเราได้ช่วยพาให้เราออกจากอำนาจของอารมณ์ยิ่งถ้ารู้ชัดด้วยปัญญาว่าเนี่ยอะไรก็ไม่เชียงอะไรอะไรก็ยึดติดถือมั่นไม่ได้ถึงเวลาเกิดถึงเวลาเกิดเหตุล้ายเช่นสูญเสียคนรักของรักมันก็รู้ชัดเลยนะว่า เป็นธรรมดาไม่เกิดความเศร้าโศกเสียใจไม่เกิดความคับแค้นพารู้ตั้งแต่แรกแล้วว่านะมันจะติดถือมันไม่ได้อันนี้เราเป็นความรู้ชั้นหนึ่งนะที่เกิดจากประสบการณ์การปฏิบัติมันไม่ใช่แค่ความรู้ตัวหรือรู้ทันอารมณ์แต่มารู้ทอดทันธรรมชาติของสิ่งต่างๆ ความรู้อย่างนี้ล่ะที่มันไม่มีความรู้ใดๆมาทดแทนได้แม้จะเป็นความรู้จากเครื่องหรือปัญญาประดิษฐ์นะที่ล้ำหน้าที่สุดแต่ไม่ใช่ไม่มีประโยชน์นะมันมีประโยชน์แต่ว่ามันยังไม่เพียงพอมันยังมาทดแทนความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติที่เราเรืยกว่าภาวนามนยปัญญาไม่ได้ ความรู้จากปัญญาปฏิบัติแบบนี้มันก็เป็นแค่สุตมยปัญญาความรู้จากการได้ยินได้ฟังแต่ว่ามันยังไม่อาจจะทดทานภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติจนเห็นแจ้งด้วยตัวเองอันนี้เราเป็นความรู้ชั้นหนึ่งไม่ใช่ความรู้ชั้นสองแต่มันก็มีประโยชน์นะ เราก็ต้องตอบอะไรที่เรายังไม่เกิดปัญญาประจักษ์แจ้งในตัวเองเราก็ต้องอาศัยความรู้จากครูบาอาจารย์แนะนํานี่ก็เป็นก็เป็นเประยชของปริยัติปริยัติศึกษาประโยชน์จากการที่เราได้ฟังครูบาอาจารย์พูดแม้ว่าอาจจะยังไม่เข้าใจแต่มันก็ค่อยซึมเข้าไปซึมเข้าไ ป, าไปบางครั้งเจอความทุกข์แล้วนึกไม่ออกแต่ว่าบางครั้งนี่ก็อาจจะ หัวเราเลิกขึ้นมาได้ว่าครูบาอาจารย์สอนอะไรเช่นทนทนจะนึกขึ้นมาได้ว่าเนี่ยเห็นอย่าเข้าไปเป็ น, ปนอ่ะเราก็ได้สติกลับมากลับมาดูมันนะไม่เข้าไปเป็นป น, นั้นอันนี้ก็เป็นเรียกว่าแม้ว่ามันจะมีโปรแกรมที่ก้าวหน้าอย่างไง ร, รู้หรือฉลาดปราดเปรืองในพุทธศาสนาเพียงใดแต่มันก็เป็นได้แค่ตัวช่วยนะแต่ว่า ไม่สามารถที่จะมาทดแทนสติปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัตินะของเรานันถ้าเราเข้าใจข้อจำกัดของมันนะเราก็จะใช้มันให้เกิดประโยชน์ได้แต่ถ้าเราไม่เข้าใจข้อจำกัดของมันก็จะไปให้มันเป็นนายเราในเทคโนโลยีพวกนี้มันเป็นบ่าที่ดีนะเป็นนายที่เร็วเพราะว่าจริงๆมันก็ยังมีความบกพร่องอยู่ ผู้รู้ที่เขาทดสอบเขบอกว่าเนี่ยคำตอบของในแชทตัวนี้เนี่ยยังผิดพลาดอยู่ยังผิดพลาดอยู่เยอะยังมีข้อจากัดอยู่มากยอย่างที่เตตรตมาให้ตืออย่างเนี่ยถามว่าความรู้สึดตัวคืออะไรมันตอบไม่ได้ตอบได้แต่ความรู้สึกหรือฟิลลิ่งหรือเวทนาแต่ถ้ า, ายจะตอบได้ก็ได้ เ, เพราะว่ า, าก็มีพัฒนาการแต่ว่าถามว่ามันจะช่วยเราแก้ทุกข์ได้ไหมก็ช่วยได้ในระดับหนึ่ง แต่สุดท้ายเราก็ต้องปฏิบัติด้วยตัวเองและการที่เราจะปฏิบัติได้ด้วยตัวเองจนพึ่งตัวเองได้ก็ยังต้องมีครูบาอาจารย์ที่มีความเข้าใจในลูกศิษย์แต่ละคนรวนท่้งมีความเมตตากรุณาจึงตรงนี้เครื่องเนี่ยมันมันทาแทนไม่ได้เ อ, อย๋ยนิพพตทนีนะอ๋อครับ